ตอนตอนขึ้นเวทีใหม่ๆเขาเล็กขึ้นเวทีปะ่ะขึ้นธรรมะขึ้นนํามาตสมัยสมัยที่ครูบาอาจารย์ฝึกตื่นเต้นวิธีวิธีหนึ่งนะที่จะช่วยตัวเองให้หายความตื่นเต้นยิ้มไว้ก่อน <laughs> ยิ้มไว้ก่อน แต่โยมฟังคงไม่ต้องตื่นเต้นเท่าไหร่นะะแต่ยิ้มก็ช่วยได้นะ mm hmm. ยิ้มช่วยได้ mm hmm. มันมีรายการอยู่รายการหนึ่ง mm hmm. เคยดูไหม mm hmm. ขึ้นต้นรายการก็จะร้องเพลงยิ้มสิยิ้มสีผู้ชมรายการทันไหม mm hmm. คนที่พยักหน้าเนี่ยรู้ตัวไว้นะ mm hmm. แก่แล้ว ถ้าพูดชื่อดาราคนนั้นไปนะบางคนอาจจะงงว่ายังมีคนชื่อนี้อยู่เลอวินยูจันเจ้าเคยได้ยินชื่อไหมเคยเคยไหมไม่เคยไห ม, มรู้จักวะแน่ๆในคนนั่งนะ่นรู้จักไหมโอ้ม่แบบน้อยมากคนไม่รู้จักไม่ต้องเสียใจแสดงว่าอายุอย่างน้อย อรสาได้ยินไหมเขาขึ้นต้นดีอันี่จะพูดถึงว่าเขาขึ้นต้นว่าให้ยิ้มก่อนยิ้มก่อนเป็นรายการที่ให้ยิ้มไว้ก่อนเวลาเราจะภาวนานะภาวนาภาวนาด้วยจิตสบายๆเออเหมือนบ้านนี้แหละเหมือนชื่อบ้านนี้แหละภาวนาด้วยจิตสบายๆจะทําสมาธิก็ทําด้วยจิตสบายๆ ไม่ต้องไม่ต้องไปปั้นแต่งไม่ต้องไปเคร่งเครียดไม่ต้องไปอะไรแทรกแซงันวิธีง่ายๆยิ้มก่อนยิ้มก่อนแล้วรู้ตัวหายใจไปก็รู้ตัวว่ากายนี่หายใจสมาธิมีสองแบบสมาธินี่นะแบบหนึ่งเนี่ยทได้ไม่จํากัดการเหมือนกันคือมีมาตั้งแต่สมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ฤๅษี หรือคนทั่วๆไปเวลานึกจะทำสมาธินึกได้วิธีนี้คือเอาจิตไปอยู่ในอารมณ์อารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งวิธีทำสมาธิใช่ไหมเราจะนึกถึงว่าเอาจิตไปอยู่ในอารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งถ้าอยู่ได้เรียกว่าสงบเลนะเราก็จะเข้าใจอย่างนี้นั่นเป็นวิธีอันหนึง่งที่คนทั้งหลายทำกันมา พระพุทธเจ้าสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ตอนที่ท่านออกบวชท่านก็ไปฝึกไปเรียนกับฤาษีก็ทำวิธีนี้เรียนกับอาจารย์ท่านแรกได้ถึงฌาน7ไปเรียนกับอาจารย์ท่านที่สองได้ถึงฌานขั้น8ฌานที่แปดแล้วก็ได้แค่นั้นเรียนไม่นานด้วยนะเรียนเร็วมากเลยท่านเล่าเองอันนี้พระพุทธเจ้าเล่าเองเลยนะว่าสิ้นคาของอาจารย์ ก็เข้าใจเลยทำได้เลยไม่นานไม่นานขนาดนั้นนะสิ้นคำอาจารย์ก็ทำได้เลยอาจารย์ก็ทวนโดยการที่ไหนรู้ยังไงก็บอกไปแล้วอาจารย์ก็บอกมาแล้วก็ยืนยันกันเองว่ารู้เท่ากันไม่นานแล้วอาจารย์ก็ชวนเลยบอกโอ้เรียนเร็วอย่างนี้มามาสอนด้วยกันมาเป็นอาจารย์ด้วยกันดีกว่า มาช่วยกันสอนคนอื่นให้ทำอย่างนี้ท่านก็อยู่สักพักหนึ่งท่านก็สังเกตว่ามันยังมีเข้ามีออกมันยังมีเข้ามีออกมันต้องตั้งใจเข้าไปไปอยู่ในอารมณ์แล้วก็หมดกาลังชารก็ออกมามีเข้ามีออกแล้วตอนออกมาก็มันยังเป็นคนธรรมดายังไม่พ้นทุกข์จริงเข้าไป ถ้ามีการเคลื่อนเข้าไปมีเจตนาทุกครั้งที่เจตนาคือสร้างกรรมทุกครั้งที่เจตนาสร้างกรรมคือมันอยู่ในภพมีการเข้าเข้าไปในภพยังอยู่ในภพนั่นแหละมันก็คืออยู่ในที่เกิดอีกที่หนึ่งตายจากที่นั้นแล้วก็ต้องไปเกิดอีกมันยังอยู่ในภพท่านก็ยังไม่พอใจผลการปฏิบัติไม่ได้หมายความว่าอาจารย์ไม่ดีแต่ว่า อาจารย์ถามอาจารย์แล้วว่าแค่นี้หรื อ, อ, อที่อาจารย์จะสอนได้มีแค่นี้หรือถ้ามีแค่นี้ขออนุญาตลาไปหาทางเอาเองเรียนแล้วได้ถึงฌานเจดถึงฌาน8ปฌาน8สุดสุดละของการทําสมาธิในแง่ที่เรียกว่าเอาจิตไปอยู่ในอารมณ์เอาจิตไปอยู่อารมณ์ได้สูงสุดได้แค่ฌาน8ดเป็นอรูปฌาน พอออกมามาทรามานตัวเองทรามานร่างกายจนในที่สุดนึกย้อนไปสมัยที่พระองค์ยังยังเป็นเด็กๆอยู่ใต้ต้นว่าตอนนั้นท่านรู้ตัวสบายๆรู้ร่างกายหายใจสบายๆไม่ได้เพ่งอยู่ตรงจุดไหนหายใจสบายๆลองทาสิทาได้ไหหายใจสบายๆ ไม่เพ่งลมนะถ้าถ้าเพ่งลมมันจะกลายเป็นใช้ลมหายใจเนี่ยเป็นอารมณ์ใช้ลมหายใจเป็นอารมณ์มันจะกลายเป็นอารัมมนูปนิชฌานคาว่าอารัมมนูปนิชฌานเนี่ยเป็นคาที่พระอัจฉริยอาจารย์มาอธิบายว่าสมาธิของคนก่อนๆเนี่ยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้เนี่ย ก็าทำกันก็ทํากันแบบนี้ส่วนที่สมาธิที่พระพุทธเจ้าใช้เพื่อให้บรรลุมรรคผลเนี่ยท่านมาอธิบายใช้คำศัพท์แยกออกมาให้ชัดเจนเรียกว่าลักขณูปนิชฌานตอนที่ทำลักขณูปนิชฌานเนี่ยใจไม่ได้ไหลไปในอารมณ์รู้ตัวสบายๆหายใจสบายๆถ้าจะให้เห็นแตกต่างเนะียลองทำดูนะ จะเห็นแตกต่างนะสมมติว่าตอนนี้เราจะใช้ลมหายใจเป็นอารมณ์ใครใครเคยทำใครเคยทำกรรมฐานใช้ลมหายใจบ้างมีไหม ย, ยกมือสิอ่านะแสดงว่าเราส่วนใหญ่จะคุ้นเคยในการดูลมหายใจลองดูนะตอนนี้จะให้ทุกคนในที่นี้ลองใช้ลมหายใจที่ผ่านที่สองช่องจมูกนี่เป็นจุดเป็นจุดที่เราไป ไปสังเกต ด, ดูอย่างงี้นะอ่ะลองดูหายใจแล้วให้ใช้ลมหายใจที่ตรงนี้อ้าพอแล้วพอละสังเกตไหมว่ามันมันมาจ่ออยู่ที่ลมพอแล้ว <c oughs> ออกมาก่อนออกมาก่อนออกมาออกมาออกมา พอแล้วนี่ให้ทดลองนิดๆหน่อยๆพอให้รู้ว่าเมื่อกี้นี่ให้ทำเลยนะคือมันไหลไปในอารมณ์ใช้ลมหายใจเป็นอารมณ์มันจะไหลรวมมาครั้งี้เอาใหม่เอาใหม่ตอนเนี้ยเริ่มรายการใหม่ยิ้มซียิ้มซีผู้ชมรายการเบิกบานหน่อยเปลี่ยนนะเมื่อกี้สังเกตนะว่าพอจิตอยู่ในอารมณ์อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเลยนะแล้วเพ่งเกินไปนะีบางทีบางคนซึมบางคนแข็ง เราลองใหม่นะยิ้มยิ้มอยู่เนี่ยนะและเห็นกายนี้หายใจไปเลยไม่เพ่งจุดใดจุดหนึ่งมีความรู้ตัวสบายสบา ย, บายเบิกบานยิ้มแล้วก็หายใจรู้ว่าหายใจอยู่ยิ้มด้วยยิ้มด้วยเห็น <laughs> <laughs> <laughs> ความแตกต่างไหมหรื อ, อยังแข็งแข็งยิ่งนี่ยิ้มแล้วสบัดหน้าด้วยก็ได้แ <laughs> <laughs> บบให้มันกระเจิงกระเจิงหน่อยก็ได้รู้ตัวแบบ ไม่ต้องกลัวหลงไม่ต้องกลัวเผลอสบายสบายยิ้มเนี่ยเหมือนครูบาอาจารย์บอกว่าเหมือนการล้างไพ่หรือการล้มกระดานไอ้เกมเก่าล้มกระดานไปเลยเริ่มหมายไม่เอายิ้มเบิกบานไปก่อนเวลาเรียนกับครูบาอาจารย์ท่านจึงให้หัวเราะบ่อบยๆไม่ให้ซึมนะไม่ให้ซึมไม่ใช่กรรมฐานหน้าซ่วม กรรมฐานสวมซึมเบ <k> ิกบานเป็นจิตที่เหมาะสมเป็นกรรมฐานที่เหมาะสมจิตที่รู้ตัวโดยไม่ไหลไปในอารมณ์สมาธิเอันดี้ ND นะมันทำฌานก็ได้ตอนนั้นเนี่ยจิตมันไม่ไหลไปมีความรู้ตัวอยู่นะแล้วก็ไม่ไหลไปด้วย แล้วพอออกมาจากสมาธิตรงนั้นแล้วเนี่ยด้วยความที่มันไม่ไหลไปครูบาอาจารย์จะเรียกว่าจิตมันถึงฐาน<ม>ก็ดีคํานี้ไหมจิตถึงฐานจิตตั้งมั่นท่าภาษาของพระอัฏกถาจารย์ก็คือรรมลักขณูปนิชฌานทําไมจึงเป็นลักขณูปนิชฌานเพราะว่ามันอยู่ในฐานคือจิตรู้อยู่โดยที่ไม่ไหลไปไหนเนี่ย พอออกจากฌานหรือออกจากสมาธิมามันไม่ไหลมันแตกต่างจากฌานที่หรือสมาธิที่ไหลเป็นอารมณ์เวลาเรารู้อารมณ์เราเช่นมองใครดีหาคนเป้าเป้าหมายใครดีใครอยากจะให้ชาวบ้านดูบ้า <laughs> งสมมติสมมุติมอง มองไปที่จะรู้จักชื่อกันไหมเนี่ยแล้วรู้สึกว่าหน้ากอดหุ่นเหมือนตุ๊กตาหมีภูชื่อหมูแต่เหมือนหมีอ่าสมมตินะน่ารักมากอยากกอดเกิดกิเลส ต, ตัวหนึ่งคือราคะขึ้นมาไปเกิดราคะตัวนั้นแล้วจิตไหลไปหาอารมณ์แล้วนะแล้วมีสติรู้ทันว่ามีราคะแล้วมันก็ราคะดับแต่มันดับอยู่ข้างนอก ตอนนี้มีสติก็จริงนะแต่ว่าพอราค่าดับแล้วก็ว่างๆว่างอยู่ข้างนอกเขาเรียกว่าจิตไม่ถึงฐานเข้าใจไหมเวลาเห็นอะไรแล้วมีโทสะรู้ทันโทสะได้สติรู้ว่ามีโทสะเกิดขึ้นรู้ว่าโทสะเป็นยังไงรู้ว่าราคาเป็นยังไงแล้วพอราคาโทสะนั้นดับแต่มันลอยอยู่ข้างนอกไปแล้วเรียบร้อยแต่ให้รู้ว่ามันลอยออกไป มันไหลออกไปสภาวะตรงนั้นเนี่ยเกิดราคะจริงเกิดโทสะจริงแต่พอดับแล้วมันอยู่ข้างนอกวิธีคือทำความรู้ตัวใหม่กลับมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่มีความรู้ตัวและหายใจไปสบายๆตอนรู้ตัวหายใจไปสบายๆใจไม่ไหลไปในอารมณ์ใจไม่ไหลไปในอารมณ์พอมันดับจากตรวนี้นะมันจะเห็นขันมันแยกจิตมันจะเห็นเอง จิตมันจะเห็นเองอีกวิธีหนึ่งให้มันไหลไปให้มันไหลไปจิตนี่มันไหลไปตามช่องทางหกช่องทางหกช่องทางอยู่แล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจไปตามหกช่องทางไปอยู่แล้วเป็นปกติใครไม่ไหลแบบปิดกั้นเอาไว้ก็ผิดปกติพยายามดึงใจเอาไว้นะผิดปกติผิดปกติงั้นก็เลย เหมือนรู้ตัวแต่แข็งแข็งสภาวะเหมือนรู้ตัวแบบแข็งแข็งให้รู้ว่าผิดยังไม่ใช่สภาวะของจิตที่เหมาะควรแกการเจริญวิปัสสนาจิตที่เจริญวิปัสสนาจะต้องเป็นจิตที่เป็นพุทธคือรู้ตื่นเบิกบานถ้าเหมือนรู้ตื่นแต่ไม่เบิกบานรู้ตื่นแต่แข็งแข็งให้รู้ว่าผิดสังเกตดูนะ ถ้ารู้สึกว่าต้องบังคับต้องดึงมันไว้ตรึงตรึงมันไว้ออกแรงชักเขย่ากัมนมาเนี่ยอันนั้นเหมือนรู้เหมือนตื่นแต่ไม่เบิกบานให้เริ่มต้นใหม่ยิ้ม <laughs> ยิ้มไว้ก่อนยิ้มไวก่อน <laughs> ยิ้มไม่หายก็ไปหาหนังสือขายหวัวเราะอ่านหรือดูคลิปตลกอะไรก็ได้ <laughs> แต่ต้อง ดูเฉพาะตลกแบบไม่ลามกตลกเมืองไทยมักจะเป็นตลกลามกหรือว่าขำขันก็จะเป็นขำแบบลามกไปหาขำขันที่ไม่ปนเปื้อนเรื่องลามกนี่หายากนะเมืองไทยนะจะเป็นขำขันแบบลามกลามกนั้นเราต้องพัฒนาขำขันของเราเองขำยังไงที่ไม่ไม่ชวนให้ให้เกิดภาพโสโครกโสโครก แล้วลองดูเวลาใจรู้แบบสบายๆใจรู้แบบสบายๆนะแรกๆพอเห็นเข้าพอเห็นสภาพ ว, ว่าแบบรู้สบายๆแล้วเนี่ยนะรู้ว่ามวันดีพอรู้มันดีนะมีการเรียนแบบพอของดีขายดีๆนะจะมีของเรียนแบบใช่ไหมพอจิตดีๆนะเราก็อยากได้อีกแล้วเราก็เรียนแบบไม่ได้ทำแบบเดิม เรียนแบบปรุงแต่งไอตัวรู้แบบสบายๆนี้ขึ้นมาไอตัวรู้แบบสบายๆพอเรียนแบบแล้วมันไม่สบายมีการปรุงขึ้นมาให้รู้ว่าผิดอีก <c oughs> จิตเนี่ยนะ <c oughs> เจ้าเล่ห์ <c oughs> เก่งฉลาดตัวที่จะรู้ทันมันคือสติจิตมันจะไวัยไปเรื่อยๆเลยนะเราจะมีมาตรฐานอยู่ว่า จิตที่เหมาะสมคือรู้ตื่นเบิกบานลองไปเช็คติคิวจิตของเราเองนะตรงนี้ได้ตรงนี้ได้แต่ตรงนี้ไม่ได้แสดงว่ายังไม่ใช่เบิกบานแต่ใจลอยไม่ได้ไม่รู้ไม่ตื่นรู้เบิกบานแต่ตื่นเต้นก็ไม่ได้มันตื่นต้องตื่นอย่างเดียวไม่ใช่ตื่นเต้ น, ต, นต้องรู้ตื่นเบิกบานให้ครบ Qc จิตของตัวเองด้วยจิตขณะนี้เป็นยังไงจิตขณะนี้เป็นยังไง ไม่เชื่อง่ายอย่าไปเชื่อมันง่ายดูมันดีๆตรวจสอบแล้วก็แรกๆอาจจะต้องตั้งใจอยู่บ้างแรกๆนะอาจจะต้องตั้งใจตั้งใจเหมือนกับเจริญสติเวลาเราเจริญสติตอนแรกๆเนะี่ยต้องตั้งใจดูตั้งใจเหลียวไปดูว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นกับใจเราหรือตั้งใจดูกายนี้ไปว่าขณะนี้กายเป็นยังไงตั้งใจดู แต่จิตที่เป็นสติที่เป็นสัมมาสติเนี่ยนะจะหมดความตั้งใจไม่มีความตั้งใจขณะที่จะเกิดมรรคผลขณะนั้นไม่ตั้งใจไม่มีความตั้งใจเพราะตั้งใจทีไรจะเป็นการมันจะลงกับคำว่าเจตนาเจตนาเป็นตัวกรรมเจตนาหังกรรมมังว่าธามิเคยได้ยินคานี้ไหมพระพุทธเจ้าบอกว่า เจตนาเป็นตัวกรรมเมื่อเป็นตัวกรรมมันคื อ, คอสร้างภพกรรมตัวนี้เรียกว่ากรรมมาพบนะเจตนาทีไรเป็นตัวกรรมแต่เจตนาไปก่อนตอนนี้เราเจตนาเพื่อจะสร้างสติเพื่อให้จิตมันเรียนรู้ว่าสภาวะทั้งหลายที่เป็นของจริงของแท้เป็นอย่างไรพอจิตเรียนแล้วมันเริ่มมีสัญญาคือความจำในแง่ที่ว่าเป็นสภาวะแท้ พอต่อไปมันจิตเกิดสภาวะนั้นโดยไม่ตั้งใจมันรู้เองเรียกว่ามีสติโดยไม่ต้องตั้งใจภาษาพระก็เรียกว่าอสังขาริกอสังขาริกคือไม่ต้องตั้งใจแม้ไม่ตั้งใจก็เกิดแต่ไอ้ไม่ตั้งใจจะเกิดก็เกิดได้เนี่ยมันต้องผ่านการฝึกตั้งใจไว้ก่อนตั้งใจแงะไปดูตั้งใจแงะรู้จักใช่ไหมแงะเนี่ย เหลียวไปดูนิดหนึ่งคนฟังใหม่ต้องมีดิกประจำตัวเวลาฟังอธตมานะแงแปลว่าเหลียวหันไปดูวาวๆแล้วไม่ไม่ไม่มองแช่นานเหลียวหันไปดูนิดหนึ่งพอแงไปดูเหลียวไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี่มีความโกรธเมื่อกี้มีความโลภเมื่อกี้มีความหลงเมื่อกี้มีความสุขเมื่อกี้มีความทุกข์เมื่อกี้จิตมันดีชอบพอใจ เมื่อกี้จิตไม่ดีไม่ชอบไม่พอใจอย่างี้นะหันไปดูเหลียวไปดูหน่อยตั้งใจตอนนั้นต้องตั้งใจในการฝึกที่จะเรียนรู้ว่าสภาวะเมื่อกี้มีอะไรเกิดขึ้นต้องตั้งใจหันไปดูแต่ตอนที่จะเกิดมรรคผลไม่มีความตั้งใจท่านจึงบอกว่ามรรคผลเป็นโลกุตระ แต่เป็นโลกุตระที่เกิดดับโลกุตระหมายถึงว่ามันอยู่เหนือโลกไอ้โลกก็คือมีอะไรบ้างมีการมาพบรูปประพบอะรูปประพบเวลาเราบอกโอ oh, อาหารร้านนี้เนี่ยอร่อยอร่อยในสามโลกนี่มันโลกนี่แหละโลกมันอยู่สามโลกเนี่ยนะการมาพบรูปประพบอรูปประพบอรูปรประพบเไม่ไม่มากินร้านอาหารที่เราชมนี้แลยนะ มันก็คุยได้อยู่เหมือนกันว่าในอร่อยในสามโลกนะั <c> ้น <oughs> <laughs> ทุกครั้งที่มีความตั้งใจมีเจตนาก็สร้างกรรมกรรมทั้งหลายก็พาไปเกิดในเนียในสามโลกเนียกามาพบรูปประพบอรูประพบกามาพบก็คือมนุษย์นี้หรือไม่ก็เป็นพวกนรกเกิดในนรกหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นอสุรกายเป็นเปรตทำดีหน่อยก็มาเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นเทวดา ชั้นกลามาภูมิกลามาภูมิก็มีอีก6ชั้นแบ่งย่อยๆไปอีก6ชั้นแต่นี้ยังยังปรารถนาการมปรารถนาการมหากามได้ด้วยวิธีที่ไม่ไม่ผิดก็อยู่สุกติไปหาในทางที่ผิดผลของการหาผิดนั้นก็ส่งให้ไปอยู่ในที่ทุกติใครทำฌานที่เป็นรูปฌานไปเพ่งรูปก็คือใช้รูป เป็นอารมณ์เช่นอะไรได้ดูเล็บก็ได้ดูลมนี่ก็เป็นรูปดูลมผมขนเล็บฟันหนังดูดอกไม้ดูแสงดูสีเพ่งกรสินก็เป็นรูปทําได้ก็ได้เป็นรูปประพรมถ้าเรียกเป็นเป็นโลกก็เป็นรูปประโลกหรือรูปประพบละรูปนั้นไปหรือว่าไม่ได้เริ่มจากรูปเลยดูจิตดูจิต เห็นจิตเกิดดับพอดับไปแล้วมันกลายเป็นความว่างอย่างที่บอกเมื่อกี้คือเห็นใครและชอบเกิดราคะขึ้นมามีสติูลชันราคะราคะดับแล้วมันว่างๆว่างๆโลง่ลงๆสบายใจชอบสภาวะนั้นไปเพ่งในความว่างอันนั้นอันนี้ก็เรียกว่าทำอรูปฌานไปเพ่งอยู่กับความว่าง น, นั้นอยู่ไม่ได้ไม่ได้อาศัยรูปอาศัยนาม มันไม่มีรูปจะว่านามก็ไม่ใช่มันมันไม่มีรูปเรียกว่าอยู่ในอรูปภพตั้งใจอยู่ในสิ่งที่ไม่ใช่รูปพวกเนี้ยไม่มีพระพุทธเจ้าก็าก็ทํากันอยู่แต่พอพระพุทธเจ้ามาเนี่ยทําสมาธิแบบใหม่ไม่อยู่ในเรื่องพวกนี้เป็นสมาธิแบบที่รู้ตัวรู้ตัว เวลารู้ตัวของท่านเนี่ยรู้ตัวว่ากายนี้หายใจไม่ได้เพ่งอยู่จุดใดจุดหนึ่งของลมรู้ตัวว่ากายนี้หายใจแล้วันตรการรู้ตัวนั้นก็รู้ตื่นเบิกบานทําฌานได้แล้วฌานจากการทำฌานแบบลักคนุปนิชฌานเนี่ยจะเหนือกว่าอารัมมานุปนิชฌานอารัมมานุปนิชฌานจะได้ฌานแป ลักขณูปนิชฌานคือฌานที่ไม่ได้อาศัยเพ่งอารมณ์เนี่ยนะได้ถึงฌานขั้นที่เก้าคือคืออะไรก็แลกนี่รอดสมาบัตคือได้ยินไหมนี่รอดสมาบัตไม่ได้เป็นฌานที่เพ่งอารมณ์คนที่ทําฌานเพ่งอารมณ์จะไม่มาถึงขั้นนี้ได้เพราะว่าคนที่จะถึงขั้นนี้ได้เนี่ยต้องผ่านมรรคผลก่อนมรรคผลทํา ทำฌานแบบอารามมานุนิชานเนี่ยไม่เกิดมากผลเพราะว่าทุกครั้งที่ทําอารามมานุปนิชานเนี่ยมันมีความตั้งใจมีความเจตนาไปแล้วจิตไหลออกไปแล้วจิตไหลไปในอารมณ์แล้วไปอยู่กับอารมณ์นิ่งๆจะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์เพราะจิตมันไปอยู่กับอารมณ์ซะแล้วเหมือนมีสระลอยน้ํามา เราไปเกาะอยู่กับสวะเราจะไม่รู้สึกว่าสวะนั้นเคลื่อนไหวเราจะรู้สึกว่าฝั่งนั้นเคลื่อนเรือเรานั่งรถเวลาเราเราอยู่ในรถเราจะภาพที่ผ่านตาเราคือมีอะไรเคลื่อนไหวแต่คนในรถเหมือนนั่งนิ่งๆแต่เราเนี่ยคิดและเข้าใจรล้ ว, ว่ารถนี่กำลังแล่นอยู่หมุนไปอยู่แต่ถ้าความรู้สึกจริงๆ โดยโดยตาโดยความสัมผัสเนี่ยลมมันผ่านไปยิ่งรถแล่นไปเร็วเรารู้สึกว่าลมมันผ่านเราเนี่ยเร็วและแรงฉากทั้งหลายเวลาสร้างหนังนะทําขับรถเนี่ยดาราก็นั่งนิ่งๆขับไปนิ่งๆแต่ใช้ฉากเลื่อนเอาเคยดูเบื้องหลังเขาไหมให้ฉากมันวิ่งไปกล้องก็อยู่กับที่นิ่งๆไอ้คนก็ขับขับนิ่งๆทำโยกๆหน่อยโอ้ตกลุมนู่นนเนีย้ยแต่จริงอยู่เฉ ย, ยๆภาพ ทั้งหลายเนี่ยผ่านผ่านไปผ่านไปนี่คืออารม์ ม, มนูษย์ปณิชฌานพอจิตไปเพ่งอยู่กับอารมณ์แล้วอารมณ์จะถ้าเพ่งได้ก็อยู่กับอารมณ์นิ่งๆไม่เห็นอารมณ์นั้นเปลี่ยนแปลงไม่เห็นอารมณ์นั้นเปลี่ยนแปลงมีความสุขไหมก็มีมีปีติมีสุขมีเอก ก, ะกะตามีได้แต่ไม่เกิดปัญญาเพราะไม่เห็นไตรลักษ ไม่เห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงไม่เห็นว่ามันคงอยู่ไม่ได้คือมีทุกข์ไม่เห็นว่ามันทำงานเองแต่พอใช้สมาธะหรือใช้สมาธิแบบใหม่คือไม่เพ่งอารมณ์รู้ตัวสบายๆจะเห็นเลยว่าสิ่งต่างๆมันเปลี่ยนแปลงกวาดบ้านเห็นใจไหลไปหาขี้ฝุ่นถ้าใจอยู่กับขี้ฝุ่นได้ได้อารมณูมณิชฌาน แต่ถ้าเห็นใจมันไหลไปนะขณะนั้นที่เห็นใจมันไหลแวบนั้นอะได้ลักขณูปนิชฌานเห็นตรงนั้นนะบางท่านก็จะรู้สึกว่าภาวนาง่ายล้วรู้สึกว่าสิ่งต่างๆถูกดูอยู่มีตัวรู้อยู่ต่างหากทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงถ้ายังยังมีความเข้าใจว่าตัวรู้ยังยังไม่เปลี่ยนแปลงยัง ยังเหมือนตัวรู้มันเด่นโดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะเหมือนไม่เกิดดับอยู่เนี่ย น, นะต้องดูอีกดูไปเรื่อยเหมือนเวทนามีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เออเดี๋ยวก็ความปรุงแต่งเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยก็ร้ายเดี๋ยวก็มีกุศลเดี๋ยวก็มีอกุศลเดี๋ยวเป็นโลเป็นโกรธเป็นห ล, ลงเปลี่ยนแปลงแต่ตัวรู้ยังเหมือนเที่ยงอยู่เป็นอย่างนั้นไหมคนฝึกดูเจริญสติเนี่ยบางทีค้างอยู่คัน้นนี้เห็นแล้วทุกอย่างเปลี่ยนแปลงแต่ตัวรู้เน่ยเด่น แล้วก็ไม่ดับไม่เกิดไม่ดับดูเหมือนเป็นเที่ยงดูไปต้องเห็นให้ละเอียดขึ้นเรื่อยๆดูไปดูไปบางคนจะเห็นว่ามันมีการเกิดดับจิตมันจะเห็นเป็นแบบเป็นช็อตๆอ่ะชบัชบชบัชบชใครใครเคยเห็นตรงนี้ทเรียกว่าเห็นสันติมันขาดสันตติมันขาดสันตติมันขาดเนี่ยนะเราอาจจะอธิบายอะไรไม่ได้นะแต่จิตมันรู้แหละ มันเริ่มเรียนรู้มันเริ่มได้ข้อมูลใหม่มันเห็นว่าเฮ้ยจิตมันไม่เที่ยง <laughs> ตัวรู้มันไม่เที่ยงนะมันมีการเกิดดับมีช่องว่างด้วยแต่มันชิดกันมากเลยนะรู้อันนี้แล้วก็เดี๋ยวแชปแชปบชบชบใครยังไม่เคยเห็นก็จเจริญสติไปก่อนหรื อ, อยังน้อ ย, อยตอนนี้ก็ยังงงท่านพูดอะไรยังมึนงงให้รู้ความงงไว้ก่อน <laughs> เดี๋ยวกระซิบนิดนึง <laughs> แบบลิเก <laughs> <laughs> เคยดูลิเกไหม <laughs> เคยไหมลิเกตตั้งจอทีวีหรือว่าดูในเวทีเลย <laughs> สองอย่างลิเกเนีกยจะมีมุงทีเขาจะคุยกับคนดูนะไอคนนั่งอยู่เนี่นนะจะนินทาไอคนนี้นะกระซิบกระซาบกับคนดูใช่ไหม <laughs> นี่ก็จะ ก, กระซิบกระซาบกระยมว่าจริงๆแล้วเนี่ย น, นะนักภาวนาทั่วๆไปนะไม่ค่อยเห็นหรอกไอแชปแชปแชปแเนี่ย น, นะไม่ค่อยเห็นหรอกไม่ต้องตกใจ อาจารย์สรวัตรรู้จักไหมภาวนาดีนะอาจารย์สรวัตรเนี่ยภาวนาจนหลวงพ่อประโมทเนี่ยให้มาสอนโยมอาจารย์สรวัตรสารภาพบอกว่าลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทที่ไปส่งกันบ้านกันเนี่ยส่งกันบ้านแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะสภาวะนเนี่ยท่านไม่เคยเห็นจิตถึงฐานอะไรจิตถึงฐานไม่เคยเห็นไม่รู้จัก มันเป็นแช็บเชบเชบช็เป็นอะไรเหมือนเป็นช็อตช็อตจะชอตแล้วมีช่องว่างด้วยอาตมาก็ไม่เคยเห็นนะอันนั้นไม่ต้องตกใจแต่บางทีมันเห็นแล้วแต่เราบัญญัติไม่ทันเห็นไปแล้วแต่จะเรามาร้อยเรียงไม่ทันแต่จิตเรียนรู้ไปแล้วการเห็นตรงนั้นน่ะจิตมันเข้าใจแล้วว่าจิตมันเกิดดับไม่ได้เป็นของเที่ยงแต่ที่เห็นแน่ๆคือเวลาเห็นมันไหล สารอาตมานะพอเห็นจิตไหลเนี่ยรู้สึกเลยว่าจิตได้กําลังและเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยมันมันเปลี่ยนแปลงชัดเจนมันทํางานเองชัดเจนโดยเฉพาะที่ตอนมันไหลเนี่ยน่ะแหละมันไหลไปเองจริงๆความเข้าใจของเราโดยปกติแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าถ้าใจอยู่กับตัวจุดใดจุดหนึ่งก็ได้ถ้าใจอยู่กับตัวเนี่ยนะไม่ไหลไปไหนนี่นะเวลาเดินให้ใจอยู่กับเท้าเวลาหายใจให้ใจอยู่กับ ลมหรืออยู่กับจมูกหรืออยู่กับท้องที่กระเพื่อมไปกระเพื่อมมาเนี่ยนะเคลื่อนไหวให้อยู่กับมือรู้สึกงั้นไหมถ้าเคลื่อนไหวอยู่กับมือเนี่ยรู้สึกว่าเรามีสติจะไม่ให้มันไหลไปเลยปรากฏวันหนึ่งเดินไปเดินมาตอนนั้นดูแลโยมพ่ออยู่แล้วก็พาไปพักที่บ้านพี่ชายให้โยมพ่ออยู่ชั้นล่างอาตมาขึ้นข้างบนไปเดินจงกรมอยู่ข้างบนเดินไป ห้องมันก็แคบก็เลยเปิดประตูเดินผ่านประตูไปเรื่อยๆอย่างีนะ้เดินเข้าเดินออกประตูหน้าประตูมีโซฟาเดินออกไปก็ไม่ได้สังเกตอะไรหันกลับมาก็เอ๊มีโซฟาจิตไหลไปหาโซฟาตอนจิตไหลาาหาโซฟามันแรกๆเนะี่ยไม่ไม่รู้สึกว่ามันจิตไหลนะก็เดินกลับไปอีกกลับไปกลับมาอันนี้ตาก็ไปยังไงก็ต้องเห็นโซฟา อีกครั้งหนึ่งคือเห็นแล้วว่าจิตเนี่ยมันไหลไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจให้มันไหลยอยากจะให้อยู่กับตัวจะตายไปไม่อยากหลงไม่อยากเผลออยากให้มันอยู่กับเท้าเราภาษาตะมาก็ภาษาแบบบ้านนอกนะเกิดบ้านนอกอยู่กับตีนอยากให้จิตอยู่กระตีนแต่จิตตัวเองไม่เป็นไรแต่คนอื่นไม่ต้องมาเกรงใจ ให้จิตอ ย, อยู่กับตีนตัวเองพูดในใจตัวเองนะอย่างนี้นะพูดเองได้นีกระซิ์กระซิบแต่พอจิตมันไหลธรรมชาติของจิตมันไหลไปตามตาตา ม, ตา ม, ตา ม, ตามหูหรือในความคิดนึกอยู่แล้วตอนนั้นมันไหลเห็นมันไหลไม่ได้เห็นโซฟานะเห็นจิตมันไหลอย่างตอนนี้ถ้าโยมมองมาแล้วเห็นหน้าตามาเนี่ยเรียบร้อยแล้ว มารวมจิตนี่อาตมาอาจจะเห็นเม็ดสิวอะไรต่างๆพวกนี้แต่ถ้าสะบัดหน้าใหมย่ยิ้มสบายๆรู้สึกตัวแล้วทนไม่ได้ที่จะต้องไหลามาทางนี้นะเพราะว่าอาตมามีองค์เดียวอยู่ตรงนี้เนะี่ยและเห็นมันไหลามามีนะคราวนี้มันไม่ได้มันไม่ได้เห็นอาตมาแต่เห็นจิตตัวเองเนะ่ยไหลามาถ้ายังไม่เห็นนะสะบัดหน้าหลับตายิ้มกับตัวเองซะก่อน ลืมตามาใหม่โอ้ไหลแล้วเหงื่อไหลตันนี้หน้าร้อนตัวอีกตัวหนึ่งที่เราจะพลาดคือตัวแทรกแซงแทรกแซงพอเห็นว่ามันดีเริ่มเห็นครั้งหนึ่งนะครั้งหนึ่งยังไม่ได้ไหมายความว่าจะต้องบรรลุมรรคผลอะไรนะเพียงแต่จิตเริ่มเรียนรู้เริ่มได้กำลังพอได้กำลังขึ้นมาแล้วเห็นว่ามันดีตอนมันเห็นว่ามันดีเนี่ยจะต้องเรียนแบบต้องทา เพราะว่ามันดีอยากจะได้สภาวะแบบนั้นอีกก็พยายามให้มันไหลมันกลายเป็นไหลแบบปลอมๆไหลแบบปลอมๆตั้งใจให้ไหลนะดีมองให้มันไหลอืมอไม่ได้ไม่ไดไ้เหมือนเดิมของปลอมของเทียมไม่ได้นั่คือตัวแทรกแซงคือตัวอยากอยากอยากทำเนี่ยผิดทุกทีอยากปฏิบัตินะผิดทุกทีอยากทำผิดทุกทีต้องเผลอ เผลอนะจิตแบบธรรมชาติปกติและให้มันทำงานเองพอคิดอยากจะทำนะผิดทุกทีมันมีการแทรกแซง <c oughs> นี่ชื่ออะไรน้องใช่ไหมสมมติตัวละครคนหนึ่งชื่อน้องน้องไปเที่ยวห้างนัดแฟนเอาไว้แล้วเดินมาจากห้องน้ำรอแฟนนานแฟนยังไม่มา เห็นเด็กคนหนึ่งกำลังกินจังฟูด้ดรู้จักจังฟู้ดไหมอาหารขยะอาหารขยะทำไมเรียกอาหารขยะเช่นอะไรบ้างเฟนฟายทอดน้ำมันซ้ำๆแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ได้ถือเป็นอาหารอาหารขยะไหมเนื้อที่เขาทำเนื้อมันบดม า, าจากทุกอย่างเลยนะเคยเห็นคลิปไหมใส่โยนสัตว์ไปทั้งตัวเลยนะ ไอ้เครือบมันก็บดทั้งกระดูกทั้งกระดูกระดูกระูก็กีบหมูถ้าเป็นวัว ก, ก็วกรนะดัดดดดกะดวกระดูดูกรดดะะดดูดกดูะดูดูกระกระดูกระดูรดระดรดูกระดูรดระดระดูกะดดูกระดูกรนดูกระดูกดูกระดูกรกระดูกระดูกระดูกระดูกระดแก้แแะดูกกระดะ วัวร0อยปอร์ซไม่มีอะไรปนเลยวัวทั้งตัวเลยถ้าเป็นหมูก็หมูทั้งตัวเลยเราก็เชื่อว่าโอ้คงคงเป็นเนื้อหมูเพราะเราเคยเห็นแม่ซื้อหมูมาทำบะช่อเนี่ยนะก็คือเอาหมูอย่างดีมาทำใช่ไหมแต่อนั่นมาเอาทั้งตัวนะดังนั้นจึงได้ว่าอาหารขยะไม่น่ากินเราดูคลิปแล้วน้องไปดูคลิปแล้วโอ้โหอาหารพวกนี้นี่อาหารขยะไขมันที่มาใช้ก็เนื้อเนยก็ไม่ใช่เนยแท้เนยเทียมของเทียมทั้งนั้นเลย เงยแท้แพงขนมปังก็ฟอกสีฟอกสีมาอย่างดีอย่างดีคือใส่สารฟอกเยอะขาวไขมันก็ไขมันแบบคุณภาพไม่ดีเนื้อก็คุณภาพไม่ดีแป้งก็แป้งแบบคุณภาพไม่ดีพอทำเป็นขนมปังเลยนะต้องใส่สารกันบูดด้วยฟอกขาวแล้วใส่สารกันบูดด้วย กินแฮมเบอร์เกอร์กับเฟรนฟา์เห็นเด็กคนนั้นแล้วสงสารน้องรู้ไหมอาหารพวกเนี้ยประโยชน์น้อยโทษมากไปไปเตือนเด็กน้องไอเด็กคนนั้นก็บอกครับทราบอ้าวทราบแล้วทำไมยังกินอยู่อีกเนี่ยมันมิมันไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพนะครับผมทราบ ผมกินมานานทำไมผมจะไม่รู้อ้าวสุขภาพเธอยังดีอยู่หรือพี่ครับปู่ผมอายุร้อยปีปู่เธออยุร้อยปีกินแบบเธอเหรอเปล่าครับอ้าวแปลกไหมทาไมาเอามาอ้างใช่ไหมก็ถามอ้าวแล้วทาไมเอามาอ้างปู่ผมไม่เคยยุ่งเรื่องของอื่น หน้าชาไปเลยไหมแต่ไอเราเนี่ยยุ่งเรื่องของตัวเองใช่ไหมเวลานึกจะทำอะไรก็ยุ่งเรื่องของตัวเองไม่ธรรมชาติแต่ยุ่งเรื่องของตเองไม่โดนอะไรใช่หมยุ่งเรื่องเรื่องคนอื่นเนี่ยดูดูหน้าดูหลังให้ดีนะเวลาคิดจะทำมีการแทรกแซงมีการแทรกแซงยุ่งเรื่องของตัวเองยุ่งเรื่องของตัวเองก็ ผิดปกติไม่ได้ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติยิ้มยิ้มสบายๆแล้วก็รู้ตัวไปรู้ตัวไปสบายนึกถึงเรื่องบ้านเมืองแล้วเครียดก็รู้ทันว่าเครียดนึกได้ก็เราอยู่ในเมืองนี้อ่ะใช่ไหมเราเป็นพลเมืองของเมืองนี้เครียดได้ไหมเครียดได้เพราะเรื่องมันน่าเครียดยอมรับความจริงว่าเออกูเครียดเมื่อกี้กูเครียดแต่อย่าปล่อยให้มันเครียดนานให้รู้ตัวบ่อยๆนึกอีกเครียดอีกนึกอีกเครียดอีก นยนะมันยังไม่หมดปัญหาก็เครียดนานนึกอีกก็เครียดอีกอะไรเงี้ยบางทีก็นึกแช่งนึกแช่งคนมีไหม <c oughs> ร้ายนอะ <c oughs> ไอ้คนแช่งเขาเนี่ยร้ายนะไอ้คนที่ถูกแช่งร้ายหรือไม่ร้ายไม่รู้ละ่ะแต่ตอเราแช่งเขาเนี่ยร้ายละ <c oughs> เรื่องกรรมและวิบาก ไม่สามารถวัดผลกันได้ในชั่วชีวิตเดียวบางทีเหมือนเห็นเขาสเสวยบุญสเสวยความสุขมันไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าตอนนี้เขาสุขจริงเห็นเขายิ้มอาจจะไม่ไม่มีความสุขจริงก็ได้เห็นเขาสเสวยความสุขสเสวยอำนาจก็ไม่ได้หมายความว่าคนมีอำนาจตอนนี้กําลังสร้างเหตุแห่งความสุขในอนาคต ตายไปแล้วก็อาจจะหรืออาจายังไม่ทันตายก็แย่แล้วเราไม่ได้เห็นแบบอะไรอะเห็นสังสารวัตรไมไ่เห็นการเกิดการตายหลายๆชาติชาติเดียวบางทีตัดสินไม่ได้ตัดสินไม่ได้บางทีช่วชีวิตถ้าได้เห็นชีวิตของคนทั้งชีวิตเนี่ยจึงจะเห็นว่าสิ่งที่ทำอยู่นะ่ะดี ไ, ไม่ดีเมืองจีนมีอยู่ยุคหนึ่งยุค ส่งรู้อยากส่งไหมมาใฉ่ส่งตีงนะส่งนี่เป็นภาษาจีนบางทีเรียกว่าราชวงศ์ซ่งส่งนี่มีภาษาของของจีนเนี่ยมีราชวงศ์ส่งส่งเหนือส่งใต้มีแค่ส่งเหนือส่งใต้นะไม่มีส่งอืงนนะ ราชวงศ์ซ่งมีเมืองหลวงอยู่ทางเหนือเหนืออยู่รุมแม่น้ําหวงโห่รู้จักฮวงโห่ไหมยีโร่ริเวอร์ใครเคยฟังมั้ยยีโร่ริเวอรเดือนนี้ก็ยังร้องกันอยู่ไหมสมัยสมาเด็กเด็กมากเลยนะยีโร่ริเวอร์เนี่ยคือแม่น้ํำฮวงโหแม่น้ํำฮวงโห่ในเป็นแม่น้ําใหญ่ทางตอนเหนือของจีนราชวงศ์ซ่งแรกๆกก็อยู่แม่น้ํำฮวงโห ต่อมาถูกเผ่าเผ่าจีนคนไทยบางคนเรียกเผ่ากิมอยู่ทางแมนจูแมนจูเรียเป็นพวกเผ่าใกล้เคียงกันทางแมนจูรู้จักแมนจูไหมแมนจูเรียที่ตอนหลังๆเนี่ยเป็นราชวงศ์สุดท้ายที่เขาบังคับให้คนจีนไว้ผมเปียแต่ตอนนั้นก่อนก่อนราชวงศ์แมนจูเป็นพวกซ่งซ่งมีอํานาจใหญ่ของจีนอยู่แล้วเผ่ากิมคือเป็นพวกเดียวกับแมนจูเนี่ย เกิดมีกําลังแผ่ขยายอิทธิพลมาทางด้านเหนือแผ่มาเรื่อยๆจนกระทั่งรบกับราชวงศ์ซ่งแล้วแพ้ราชวงศ์ซ่งแพ้ถอยแพ้แต่ว่าไม่ถึงกับล่มสลายถอยมาแผ่นดินที่เคยมีจนถึงฮวงโหต้องแบ่งตอนเหนือเนะี่ยให้พวกจินพวกเผ่าจินเผ่าจินก็ครองแผ่นดินด้านแม่น้ำฮวงโห พวกสราชวงศ์สงเนี่ยต้องมาถอยแล้วตั้งราชธานีใหม่ตั้งเมืองหลวงใหม่ใต้แม่น้ําไม่ใช่ใต้แม่น้ําแบบข้างใต้ดินนะหมายถึงทิศใต้ของแม่น้ําอย่างสีเกียงใกล้ๆกับเซี่ยงไห้ <L un ters> เซียงไห้เนี่ยอยู่ปากแม่น้ําอยู่ติดทะเลแต่ว่าตอนนั้นเมืองหลวงอยู่ที่ปัจจุบันเรียกว่าหางโจร้รู้จักไหมหางโจ้โจไม่ใช่สุนัขไม่ใช่แมวหางโจ้ก็ไม่ใช่เป็นหางสุนัขหางแมวหางเป็นภาษาจีน หังโจมีคนชื่อโจไหมไม่มีนะราชวงศ์ซ่งตอนแรกเรียกว่าซ่งเหนือที่ยังไม่แพ้เผ่าจีนที่อยู่ที่หวงโหเรียกว่าซ่งเหนือพอย้ายมาอยู่ที่แยงสีเกียงเรียกว่าซ่งใต้ตอนอยู่ซ่งใต้เนี่ยก็ยังคนในจีนของราชวงศ์ซ่งก็กลัว ขยาดกับพวกเผ่าจีนแต่มีมีแม่ทัพอยู่คนหนึ่งปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูราชวงศ์ซ่งให้กลับไปกลับไปในแผ่นดินเดิมให้ได้ตอนมารับราชการทหารเนี่ยแม่ได้สลักหลังเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าสักสักเขาดำสักสีอะไรก็ได้สักไว้เป็นภาษาจีนข้างหลัง แปลเป็นไทยว่ารู้รักพักดีสละชีพเพื่อชาติไวกลางหลักที่แผ่นหลังภาษาจีนเนี่ยสลักแล้วมันไม่ยาวหรอกเพราะว่าคำหนึ่งก็คือรู้รักอีกคำหนึ่งก็พักดีอีกคำหนึ่งก็สละชีพอีกคำานึงก็เพื่อชาติตกลงมีแค่สี่ตัวอยู่กลางหลังถ้าเป็นภาษาไทยนี่ลำบากนะเจ็บนาน คนนี้เขาก็มาไต่เต้าตั้งแต่เป็นพลทหารแต่ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยรักชาติเวลาไปรบที่ไหนเนี่ยสู้ไม่ถอยเคารพแล้วก็เชื่อฟังผู้บัญชาการคนเขาก็เห็นโอ้อั น, นี้ดีใช้ได้ก็เลื่อนยศเลื่อนยศเลื่อนยศจนกระทั่งแม่ทัพคนหนึ่งตาย แก่ตายไปแม่ทัพคนนั้นนี่ยมาก่อนจะตายก็เรียกคนเนี้ยมาถ่ายทอดวิชาวิชาในการทหารวิชาในการทหารคนรู้จักคนเนี้ยคนที่ว่ามีสลักหลังเนี่ยนะชื่อว่างักหุยรู้จกักไหมเคยได้ยินชื่องักหุยไหมไอ้รู้จกักคงไม่รู้จักแล้วนะ <ST. S 1> แต่ว่าเคยได้ยินชื่อใช่ไหม <ST. S 1> เขาเอามาทําหนังทําละครเยอะงักหุยเนี่ยเป็นแม่ทัพ ที่ผูกใจทหารได้เวลาลำบากลาบากด้วยเวลายกทัพเคลื่อนไปทางไหนผ่านหมู่บ้านไหนเนี่ยจะไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อนครั้งหนึ่งพลทหารไปขอขอเชือกกล้วยขอเชือกกล้วยเพื่อมามัดฟืนพอรู้ถึงงักหุยงักฮยให้ไปขอโทษ ปรัชญาการเดินทัพของเขาคือจะไม่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนแม้แต่เชือกเส้นเดียวก็ไม่เอาจากชาวบ้านให้ทำเองให้หาเองจากในป่าไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อนอดตายดีกว่า <BM> อดตายดีกว่าให้ชาวบ้านเดือดร้อนเพราะตัวเองน่ะมาจากชาวบ้านรู้ดีรู้ดีว่ามีสงครามทีไรเนี่ยชาวบ้านเดือดร้อนเสมอถ้าเกิดว่าทหารไม่อยู่ในวินัยไม่มีวินัยทหารไม่มีวินัยเนี่ยจะไปเบียดเบียนชาวบ้าน สมัยนั้นไม่มีตำรวจมีแต่ทหารอะไรหัวเราะอะไรก็ผูกใจได้ทั้งชาวบ้านและได้ทั้งทหารเวลารบทหารจึงรวมแรงรบเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกันกองทัพจีนที่เคยเกรียงไกรพอเจอกองทัพของงักหุยแล้วจะขยาดบอกว่า ย้ายภูเขาง่ายกว่าทำให้กองทัพของงักคุยเนี่ยเคลื่อนย้ายภูเขาให้หลีกพ้นเส้นทางกองทัพยังง่ายกว่าทำให้งักหุยถอยไปขนาดนั้นเลย <laughs> เผ่าจินที่เคยทำให้พวกซ่งต้องสะท้านใจคราวนี้พวกจินเกิดหวั่นไหวรบครั้งไรชนะทุกครั้งจะรบด้วยวิธี ทหารราบหรือทหารม้าชนะหมดถอยร่นไปเรื่อยๆพวกจีนนะพวกจีนนะ่ถอยร่นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆได้ดินแดนที่เคยสูญเสียให้กับจีนเนะี่ยส่งได้ยึดคืนไปเรื่อยๆแต่ปรากฏว่าส่งขณะนั้นมีเสนาบดีเสนาบดีก็ถ้าเทียบมันเป็นตำแหน่งสมัยเก่าสมัยนี้ก็น่าจะเทียบได้กับนายกเป็นนายก หมายถึงของคนจีนเขานะเสนาบดีหรือนายกสมัยนั้นของจีนของซ่งซ่งนะซ่งตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ซื่อกับประเทศกินสองทางกินเงินเดือนของซ่งด้วยแล้วก็รับรับเงินจากจีนด้วยจีนกําลังเพลี่ยงพล้ําทางจีนก็ส่ง ถ้าเดี๋ยวนี้ก็เป็นสกายสมัยนั้นไม่มีสกายก็ส่งข่าวมาบอกว่าคุณต้องทำงานแล้วนะจินตอนนี้กำลังเพลียงพล้าคุณทำยังไงก็ได้ให้งักฮุยเนี่ยกลับเมืองหลวงให้ได้คุนนางคนนั้นเ อ, อ่ยชื่อนิดนึงชื่อฉินว้่ฉินคว่เคยคได้ยินไหมฉินว้่ชื่อออกเสียงยากมากนะฉินคว่ มันควยควยเนี่ยนะประมาณอย่างเงี้นะชินควยเป็นเสนาบดีเสนาบดีที่ไม่ซื่อเขาเรียกกังชินหรือตรงชินกังชินถ้าเสนาที่ซื่อตรงฉินอันนี้เขากังฉินชาวบ้านได้รู้แต่ฮ่องเต้ไม่รู้ครอบงำราชวงศ์แล้วก็สั่ง ขออาญาสิทธ์เรียกงักหุยกลับงักหุยกำลังตีตะลุยจะถึงเมืองหลวงเก่าอยู่แล้วจะยึดเมืองหลวงเก่ากลับมาเป็นของส่งเหมือนเดิมแล้วเนี่ยงานของฉินไว่เนี่ยก็คือเรียกงักคุยกลับมาให้เร็วที่สุดส่งเทียบอาญาสิทธ์ไปถึงสิบสองครั้งทีแรกงักฮุยฝืนไม่ยอมกลับ แต่ส่งมาส2บสองครั้งเลยต้องกลับกลับมาแล้วฉินไข่ก็ใส่ความเลยบอกว่ า, วาเนี่ยงักคุยกำเริบเสิบสารขัดขืนคำสั่งห้องเต้ <c oughs> เรียกไปถึง12บสองครั้งไม่ยอมกลับต้องเรียกถึง12ครั้งจึงจะกลับแสดงว่ากระทำการใหญ่คิดไม่ซื่อกับราชวงศ์ ป้ายความผิดว่าอาจจะคิดกบฏได้ทําคดีพิเศษแต่สืบสวนแล้วไม่มีความผิดขังไว้ก่อนยังไม่มีความผิดให้ขังไว้ก่อนขังไปแล้วเนี่ยไปบอกให้ผู้คุมฆ่าซะเหตุผลคือความผิดเข้ถามว่ามีความผิดอะไรเหรออาจจะมีก็ได้ บอก่างนี้นะอาจจะมีก็ได้ความผิดนั้นยังไม่ปรากฏแต่อาจจะมีก็ได้ฆ่าไปก่อนนี่ฉินควายทำอย่างนี้นะแล้วก็ฆ่าชาวจีนในยุคนั้นเสียใจมากทำไมเรามาเกิดในยุคที่มันห่วยแตกอย่างนี้ทำไมผู้มีอำนาจในบ้านเมืองจึงเป็นอย่างนี้คนดีทำไมอยู่ไม่ได้แค้นแค้นมากวิธีแก้แค้นเขาคือ ทำขนมแปลกไหมทำขนมเอาแป้งสองชิ้นมาติดกันแล้วก็ทอดเรียกไอ้ขนมนี่ว่าอะไรทําไมเรียกว่าต้มโง่อะทำไมเรียกว่าต้มโง่คนไทยเรียกผิดนะคนไทยเรียกว่าลาต้มโง่เล้นะแต่คนจีนเรียกว่าอิวจาควอยอยิวจาควยไอ้ควยเนี่ยก็คือไอ ไอ้ฉินนั่นแหละไอ้ฉินกล้วยนั่นแหละอิ่วคือน้ำมันอิ่วจากรวไอ้ฉินเนี่ยทอดน้ำมันแต่ว่าจะไปเรียกไอ้ฉินก็ไม่ได้ก็เอาคำพ้องเสียงอยิ่วจากว้วเหมือนคล้ายๆกล้วยอะ่ะอิ่วจากรวีกล้วยนคล้ายๆเป็นของกินขนมแป้งอะรพวกนี้นะอิวจากวยเอาพ้องเสียงเอาฉินกล้วยในทอดน้ำมันซีีกหนึ่งคือ ฉินคล้วยอีกซีกหนึ่งที่คู่กันเนี่ยเมียมันมันเลวทั้งตระกูลประมาณอย่างเงี้ยะแบบคับแค้นมากคนจีนคับแค้นมากนะทำอะไรไม่ได้เลยตอนนั้นทำอะไรไม่ได้คิดขนมขึ้นมาอิ๋วจาค้อยเวลามาเมืองไทยนะจะขายคู่กับแปะถึงกออิ๋วจาข้วยก็ขายคู่กับแปะถึงกอเวลา คนจีนมาร้องขายแลกๆเนะี่แปะถึงกอ็อิลจากรวยคนไทยจําได้คําเดียวเลยเรียกว่าปลาท่องโกะแตแปะถึงกอเนี่ยนะจริงๆคือเป็นขนมอีกอย่างหนึ่งแล้วคนไทยภาคกลางนะเฉพาะภาคกลางเนะี่ยจะเรียกผิดแต่ก็อนุโลมไปเลยกว่าเราเรียกว่าปลาท่องโกะแล้วก็เรียกไปไม่ว่ากันแต่ใหร้รู้ว่ามันคือ ขนมขับแค้นใจเป็นขนมขับแคนใจไม่รู้จะทำยังไงกินแป้งทอดได้แล้วสมมติว่านี่สมมตินะสมมติว่ารัเสเซียเกิดไม่ชอบผู้นำเขาเนี่ยเขาจะต้องทำปูทอดได้ ป, ปูปูตินปูตินนี่พูดถึงรัเสเซียนะปูตินนะ ก็า <laughs> ต่ป่ะหรือปูไอซ์ปูแช่แข็งแต่เป็นปูติน่น <laughs> เราคงมาถึงขั้นนั้นเนาะเรามีขนมอะไรของกินเราเยอะแยะอยู่แล้วหรือ <laughs> <laughs> จะคิดทำใหม่ <laughs> <laughs> แต่อย่าไปแช่งตอนคิดแช่งนะจิตตอนนั้นเป็นอกุศลให้รู้ทันความอเป็นอกุศลแล้วพองักหุยตาย เขาฝังศพและตั้งศาลอยู่มาต่อมาฉินคว้ยก็ตายเขาก็เอาศพฉินคว้ยไปฝังใกล้ๆกันงักคุยอยู่เป็นแท่นใหญ่ในศาลเอารูปปั้นงักคุยเนะี่ยเป็นเด่นแล้วนั่งเป็นรูปแม่ทัพนั่งเด่นสงา่า เอฉินค้อยกับเมียนะนั่งคุกเข่าเอามือไผ่หลังเป็นเหมือนนักโทษนั่งก้มหน้าแล้วก็ทหารอีกสองคนที่เข้าพวกกับฉินค้อยกับเมียเป็นสี่คนนั่งเอามือไผ่หลังถูกเหมือนถูกจับคนเวลามาไหว้งักหุยจะถมน้ําลายใส่สี่สี่ตัวนั่นนะชี้ไม่โดนยมนะชี้ตรงนี้นะ จนต้องทํารัวล้อมเขามาไหว้งักหุยเนี่ยนะเอามือเขก ถ, ถมน้ำลายใส่เอาไม้ตีหัวไ อ, ไอ้คือมันตายแล้วก็ยังแค้นไม่หายอ่ะก็ไม้ตีหัวมันตีหัวมันถมน้ำลายใส่จนเขาต้องทํารัวล้อมเอาไว้ไม่งั้นเดี๋ยวลูกปั้นแตกแล้วก็มาไหว้งักหุยงักหุยตายแล้วถูกสรรเสริญไอ้คนที่เป็นใหญ่เป็นโต ในตอนนั้นตายแล้วถูกแช่งถูกแช่งถูกเกลียดเกลียดชังแล้วจริงๆแล้วอยู่ได้ไม่นานความผิดก็ปรากฏก็ถูกประหารเหมือนกันเราไม่ต้องไปเร่งกรรมของคนอื่นให้รู้ทันกรรมที่เกิดขึ้นกับใจเราเองจริงๆตอนนีน้พอจิตมันไม่ดีมีความทุกข์เกิดขึ้นมาทันทีให้รู้ทันจิตเป็นอกุศลเกิดขึ้นมาทุกทันทีให้รู้ทันสะบัดหน้ายิ้ม <laughs> ยิ้มซียิ้มซีให้รู้ทันนีนะ <laughs> ยิ้มได้ไหม <laughs> ทำไมตำนาเวอ่อเว่ออย่าซึมนะซึมเนี่ยอาจจะรู้อาจาอาจะตื่นแต่ไม่เบิกบานนี่นะ <laughs> ต้องคิวซีจิตตัวเองนะ <laughs> ถ้าซึมไม่ได้ถ้าเครียดไม่ได้ถ้าหลงไปเลยไม่ได้ เหมือนเรื่องที่เทวดามาถามพุทธเจ้าว่าท่านข้ามโอเคได้อย่างไรเคยฟังบ่อยๆใช่ไหมท่านข้ามโอเคได้อย่างไรพุทธเจ้าบอกเราข้ามโอเคได้เพราะไม่พักไม่เพียรเทวดางงอะไรไม่พักไม่เพียรไม่พักเพราเข้าใจแต่ไม่เพียรทําไมถึงห้ามแต่เทวดาท่านนั้นก็ไม่ไม่ไม่รักษามารณ์ของตัวเอง ยอมลดตัวเองว่าตัวเองไม่รู้ยอมรับขอให้พระพธเจ้าอธิบายให้ทีว่าคำที่ว่าไม่พักไม่เพียนคืออะไรพระพเจ้าขยายความถ้าเราพักเราจะจมถ้าเราเพียนเราจะลอยเราไม่พักไม่เพียนจึงไม่จมไม่ลอยจมคือจมลงไปในอบายลอยคือลอยมาสู่สุกติเป็นเทวดาชั้นกลามาภูมิบ้าง เป็นเทวดารูปประภูมิบ้างรูปประภูมิบ้างก็ยังลอยอยู่อันนี้คือถึงจะพักถ้าพักคือตามใจกิเลสในนี้พระอัตถคถาจารย์อธิบายอาีกนะถ้าพักคือตามใจกิเลสอยากกินกินอยากได้อะไรก็เอาโกงเขาบ้างก็เอาเร่องนี้นะให้ได้มาอยากได้มาก็ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มานั่นก็คือพักตามใจกิเลสถ้าเทียบเป็นศัพท์ก็เรียกว่า กามาสุ ข, ขาลิกานุโยกตามใจอยากได้อะไรได้พยายามสแสวงหาสิ่งนั้นมาส่วนเพียรคือบังคับตัวเองบังคับตัวเองดูเหมือนดีก็ดีจริงอ่ะแต่มันยังอยู่ในในภพภูมินี้ยังไม่พ้นจากโลกนี้ไปถ้ายังเพียรอยู่ก็เป็นเป็นเทวดาบ้างเป็นมนุษย์บ้างเป็นพระพรหมบ้างแต่ก็หมดอายุได้ พระเจ้าตอบพระเวดาว่าเราข้ามโอคาได้เพราะไม่พักไม่เพียรถ้าอธิบายอีกนิดนึงก็คือว่าทำกรรมฐานทำสมาธิด้วยวิธีทาลักขณูปนิชฌานไม่ได้ทำกรรมฐานด้วยการเจตนาเพ่งไปในอารมณ์แต่เพ่งไปในอารมณ์เนี่ยก็คือเพียรอยู่เพียรอยู่ไม่พักไม่เพียรก็คือ ทำใจสบายๆรู้ตัวไปเลยไม่พักไม่เพียงถ้าจะพูดให้เป็นประโยคหน่อยก็คือรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางคุณไหม <c oughs> คุณคุณประโยคนี้ไหมที่หลวงพ่อประโมทสรุปเอาไว้เป็นประโยคที่แทนคําว่าไม่พักไม่เพียง <c oughs> ไม่พักไม่เพียง นี่เป็นสำนวนหนึ่งเวลาพระพุทธเจ้าแสดงกับเทวดาอีกสำนวนหนึ่งก็คือทำลักคนูปนิ ช, ชานนี่คือสำนวนของพระอัฏฐกาถ า, าจารย์หลวงปู่มั่นก็บอกว่าถีติภูตังเคยได้ยินไหมทำถีติภูตังขึ้นมาหลวงพ่อประโมทก็ทําจิตให้ถึงฐานทําจิตให้ตั้งมั่นหลวงพ่อประโมจะใช้หลายคําเพราะว่า ลูกศิษย์ที่มาเรียนกับท่านหลากหลายแต่ใช้ให้ตรงกับจริตหรือว่าพื้นฐานของแต่ละคนเข้าใจคําไหนได้ก็ใช้คํานั้น mm hmm. บางคนใช้บอกว่าถีติปูตังเขาเข้าใจบางคนใช้คําว่าจิตถึงฐานเข้าใจบางคนบอกว่าทําจิตตั้งมัน่นบางคนบอกว่ารู้ทันจิตที่ไหลไปหรือทันจิตที่มันไม่ตั้งมัน่น วิธีมันฝืนกับความรู้สึกของคนทั่วๆไปพอบอกว่าจิตตั้งมั่นทุกคนก็พยายามทำตันนี้นะแทรกแซงตัวเองจะอายุไม่ถึงร้อยปี <laughs> ว่าเริ่มแทรกแซงแล้ว <laughs> ยุ่งเรื่องของตัวเองก็ไม่ได้นะนี่คือยุง่งยุ่งแล้วนะให้รู้ทันว่ามีการแทรกแซงจิตไหลไปตอนไหลไม่ดีรู้ทันว่าไหลใช้ได้ อยากทำสมาธิขึ้นมาความคุ้นชินของเรามันชอบจะไปดูอยู่ในจุดหนึ่งพอจะมาดูมันไหลามาให้รู้ทันว่าไหลามาถ้ารู้ไม่ทันมันไปเพ่งอยู่กับจุดจุดหนึ่งแล้วให้รู้ว่ากำลังเพ่งอยู่แต่รู้เพ่งเนี่ยไม่หายแต่ให้รู้ว่ามันยังไม่ใช่ของจริงก็ยังใช้ได้